บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการตั้งสติระลึกถึงในข้อต่อไปนั้นคือมรณัสติได้แก่การตั้งสติระลึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนและจะมีแก่สัตว์อื่น ความตายนั้นเป็นสัจธรรมประการหนึ่งซึ่งชีวิตทั้งหลายจะต้องประสบข้อนี้เพีงเห็นว่าในชั้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงสอนให้บุคคลพยายามปรับความจริงปรับใจให้ยอมรับความจริงในแง่ของธรรมชาติธรรมดาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้อย่างที่สอนให้พิจารณา ในอภินหะปัจจเวคขณะแต่นในชั้นนี้เป็นการสอนให้ตั้งสติระลึกถึงความตายคือความแตกขาดแห่งชีวิตอินทรีย์ซึ่งจะมีแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเช่นไรก็ตามความตายในความหมายทางศาสนานั้นท่านแสดงไว้หลายนิยะด้วยกันนิยะหนึ่งเรียกว่าขณิกะมรณะ คือเป็นความตายที่เกิดขึ้นทุกขณะเช่นลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าก็เป็นความเกิดมหายใจออกไปก็เป็นความดับซึ่งถือว่าเป็นความตายในแต่ละขณะตลอดถึงอวัยวะส่วน ต, ต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงแตกทําลายไปเช่นขนเก่าหลุดร่วงไปขนใหม่เกิดขึ้นแทนผมเก่าหลุดร่วงไปผมใหม่เกิดขึ้นแทนเป็นต้น นี้ก็ถือว่าเป็นความตายในลักษณะหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นสมมติมรณะคือสมมติกันว่าเป็นความตายเช่นไม้ตายนังตายเท้าตายต ล, ลอดถึงสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าตายนี้ถือว่าเป็นการตายโดยสมมติเพราะยังมีเหตุปัจจัยให้ต้องเกิดขึ้นมาอีกแต่ความตายที่สอนให้บุคคลกาหนด ิพิจารณาในลักษณะที่เป็นมรณสติคือระลึกถึงความตายนั้นจำแนกไว้เป็นสองประเภทด้วยกันคือกาลมรณะได้แก่ความตายตามกาละที่มาถึงเข้าลักษณะความตายประเภทนี้ท่านแสดงองค์ประกอบที่สําคัญไว้สองประการคือการสิ้นอายุกับการสิ้นบุญ ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นต้นนั้นก็ถือว่าเป็นความสิ้นบุญแต่ว่าการตายของสัตว์ที่อยู่ในอบายก็ถือว่าเป็นการสิ้นบาปสรุปแล้วว่าเป็นการสิ้นบุญบาปกับสิ้นอายุจึงทำให้สัตว์เหล่านั้นต้องตายไปลักษณะของชีวิตในแนวนี้บุคคลจะเห็นได้ว่า เป็นความตายที่เกิดขึ้นโดยโรคภัยไข้เจ็บปกติธรรมดาหรือบางครั้งบางคราวก็อยู่กันจนแก่ชราแล้วก็ตายไปความตายประเภทนี้ถ้าหากว่ากล่าวถึงเทวดาท่านไปเพิ่มสิ้นอาหารเข้าไปด้วยแล้วประกอบด้วยความโกรธซึ่งเกิดขึ้นมากภายในใจดังนั้นเทวดาจะจุติ จึงจุติโดยเหตุ4ประการคือสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นอาหารและมากไปด้วยความโกรธส่วนมนุษย์ที่เป็นกาลมรณะก็แสดงไว้เพียงสองประการคือสิ้นบุญบาปกับสิ้นอาหารกับสิ้นอายุดังกล่าวแวล้วลักษณะของความตายอีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าอากาละมรณะคือเป็นความตายในคราวที่ ยังไม่น่าจะตายถ้าพูดในแง่ของมารท่านเรียกว่ามัจจุมานเข้ามาตัดชีวิตตินทรีย์ของบุคคล น, นั้นให้ขาดไปความตายในลักษณะนี้เมื่อกล่าวถึงแง่ของกรรมท่านเรียกว่าเกิดจากอุปาเฉตกกรรมคือกรรมที่ตรงกันข้ามกับกรรมที่แต่งให้คนมาเกิดมาและเข้ามาตัดรอนชีวิตของบุคคล น, นั้นให้ขาดไป บางครั้งบางคราวก็เกิดมาจากความประมาทพลาดพลั้งของบุคคลนั้นเองในชาติปัจจุบันเช่นความประมาทที่นำไปสู่อุบัติเหตุต่างๆอย่างที่ทราบกันทั่วๆไปและมีบางอย่างก็เกิดขึ้นจากความมีเวรมีภัยกันกับบุคคลอื่นซึ่งเคยก่อสร้างเคยผูกเวรผูกภัยกันมาในอดีตการนนานไกล กระทำให้แรงแห่งเวรแห่งภัยเหล่านั้นกระตุ้นให้เกิดมีการฆ่ามีการทำลายล้างกันลักษณะเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้แม้แก่บุคคลที่เป็นพระอระหันต์หรือมีอุปนิสัยสูงส่งมาแล้วก็ น, นี้พึงดูตัวอย่างพระเถระรูปหนึ่งซึ่งว่าที่จริงท่านก็ไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนา บรรลุอรหัตแล้วก็นิพพานเพราะถูกแม่โคควีตตายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดข้าวเป็นภิกษุบริสัทเป็นยอดแห่งภิกษุปูเลิศในทางจัตสรุได้ทรงแสดงถึงวิบากกรรมที่ทําให้ท่านภายะทรุจิริยะต้องนิพพานเพราะถูกโคควีตตายว่าเนื่องจากอากุศ ล, ลกรรมในอดีตที่ท่านได้เคยกระทามาในชาติก่อน ด้วยการร่วมมือกับเพื่อนฆ่าหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งให้ตายไปหญิงแพทย์สยาคนนั้นได้ผูกเวรขอจองล้างจองผานบุคคลเหล่านั้นในภพในชาติต่างๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะมีอุปนิสัยบา ร, รมีแก่กล้าได้ฟังพระธรรมเทศนาในพุทธสำนักบรรลุอรหัตแล้วก็ตามแต่เรื่องของเวรภัยที่ผูกกันมานั้น ไม่มีใครสามารถกําหนดได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงดังนั้นในขณะที่ท่านสแสวงหาจีวรเพื่อขอบวชในพุทธสํานักก็ถูกนางยักษินีเข้าสิงในร่างโคลแล้วก็ผิดท่านจนตายไปหรือแม้แต่อาการละมรณะที่เกิดขึ้นแก่พระโมคคัลลานะเทระเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความตายทั้งสองลักษณะนี้ ทำให้ชีวิตของบุคคลเรามีลักษณะเหมือนกับเทียนดวงหนึ่งซึ่งบุคคลจุดเอาไว้ผู้ศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่ทำให้เทียนจุดมีแสงสว่างอยู่ได้นั้นก็คือไส้กับไขยเทียนตามปกติแล้วเมื่อไส้หมดและไข่หมดเทียนนั้นก็จะดับถ้าเป็นรูปแบบของชีวิตก็คือตายที่เรียกว่าการละมรณะ คือตายเมื่อถึงขราวที่จะตายแต่เอาก็จริงแล้วยังมีลักษณะของอาการละมรณะคือตายในการที่ไม่ควรตายอย่างเปลวเทียนนั้นบางครั้งไส้ยังไม่หมดแต่ว่าไขาหมดเทียนก็ดับได้บางครั้งไขยังไม่หมดแต่ไส้หมดก็ดับได้เหมือนกันแต่มีอยู่บางครั้งยังมีสมบูรณ์ทั้งสองอย่างแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจากภายนอก เช่นลมกระโชกพัดเปลี่ยนต้นก็ดับได้เช่นเดียวกันลักษณะของชีวิตก็มีอุปมาเช่นเดียวกันฉะนั้นคืออาจจะตายเพราะสิ้นทั้งบุญและสิ้นทั้งอายุก็ได้หรือบางครั้งสิ้นแต่บุญอายุยังไม่สิ้นก็อาจจะตายได้บางครั้งอายุยังไม่สิ้นแต่บางครั้งบุญสิ้นแต่อายุยังไม่สิ้นก็ตายได้แต่บางครั้งบางคราวทั้งสองอย่างยังมีอยู่ อุปเฉตต ก, กรรมฆ้ามาตะก็ทำให้ตายได้เช่นเดียวกันเรื่องเรื่องของความตายจึงเป็นของเที่ยงแท้ย่อมมีแก่ชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้ปรับใจยอมรับถึงความจริงในส่วนนี้ให้มองชีวิตเป็นเหมือนอยู่ในแวดปวงของภูเขาคือก้อนหินใหญ่ที่กลิ้งโบทศสต์มาในทิศทั้งสี่ สัตว์โลกนั้นอยู่ในแวดวงล้อมของภูเขาที่กลิ่งมานั้นเมื่อก้อนหินเหล่านั้นกลิ่งลงมาทับสัตว์ใดสัตว์นั้นก็ต้องตายไปไม่เลือกว่ายากดีมีจนอย่างไรก็ตามการปรับใจให้ยอมรับความจริงในส่วนนี้ทรงสอนไวโดยวิธีเป็นอเนกกประการประการแรกคือให้มองรูปของชีวิตในลักษณะมีเครื่องเปรียบ เช่นมองเห็นชีวิตเหมือนกับฟองน้ําเหมือนกับตอมน้ําซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องแตกสลายไปหรือมองให้เห็นเหมือนกับพยับแดดซึ่งมองไปมีรูปร่างมีลักษณะต่างๆแต่เข้าไปใกล้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเช่นนั้นภาพนั้นก็จะห่างไกลออกไปทุกทีและบุคคลก็ไม่เคยพบความจริงแห่งภาพดันอย่างแท้จริง หรือมองให้เห็นเหมือนกับชิ้นเนื้อที่นาบไฟเมื่อถูกความร้อนเข้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปในเวลารวดเร็วชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างเข้าสู่ความตายข้อ น, นี้ท่านอุปมาไว้ว่าชีวิตนั้นเหมือนกับดอกเห็ดซึ่งเกิดขึ้นมาจากใต้ดินเวลาโผล่ขึ้นมาพ้นดินนั้นก็ เอาดินไว้บนหัวของตนด้วยคือบนปลายยอดด้วยปลายปลายดอกด้วยชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นพอเกิดขึ้นมาก็ได้แฟงเอาความแก่กับความตายไว้ด้วยลักษณะของชีวิตบางครั้งทรงอุปมาเหมือนกับนายโคบานที่ต้อนโคไปสู่ตะแลงแกงไปสู่ที่หากินทุกย่างเท้าที่โคก้าวเดินไป ก็ใกล้ที่หากินเข้าไปทุกขณะชั้นใดชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นนั้นความเกิดส่งมาสู่ความแก่และช่วงของความแก่นั้นจะมีความตายปรากฏขึ้นความตายจึงเปรียบเหมือนานายเพชรคาดที่ถือขวานรอดักอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเมื่อเขาแสดงตัวออกมาก็จะตัด รอนชีวิตของบุคคลให้ขาดไปถ้าหากว่าพิจารณาโดยในยะนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงได้ท่านก็สอนให้น้อมนึกถึงบุคคลทั้งหลายที่มีความยิ่งใหญ่ด้วยยศ ด, ด้วยทรัพย์ด้วยเกียรติด้วยฐานะตำแหน่งต่างๆในอดีตที่บุคคลได้เคยเรียนรู้ประวัติความยิ่งใหญ่ของบุคคลผู้นั้น เช่นบุคคลที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีราชสมบัติมีเสนาข้าราชการแวดล้อมให้การราคาคุ้มครองอยู่เป็นอันมากแต่เอาก็จริงแล้วท่านเหล่านั้นก็ยังต้องแตกกายทำลายไปตามธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะเป็นที่ต้านทานเป็นที่ป้องกันหรือให้การราคา ตลอดถึงซื้อหรือขอร้องอ้อนวอนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อความตายและแม้แต่บุคคลพิเศษเช่นพระอราหันต์พระปัจเจกเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดก็ต้องเข้าถึงความแตกทำลายแห่งชีวิตตินสีเช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาน้อมนึกไปแล้วก็มาดูที่ตัวเอง เราจะมองเห็นตนเองอยู่ในลนักษณะเช่นเดียวกันคือรูปของชีวิตเป็นเหมือนกับชิ้นเนื้อที่นาบไฟเป็นเหมือนกระตอมน้ำเป็นเหมือนกับหยาดน้ำเป็นต้นดังล่าวแล้วชีวิตจริงไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายว่าความตายจะมาปรากฏขึ้นเมื่อไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าความตายจะต้องมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่ง อย่างที่สงสอนให้บุคคลกำหนดพินิษพิจนาโดยคาถาที่เราเรียกว่าคาถาบังสกุลเป็นก็หมายถึงการเรียนรู้ความจริงแห่งชีวิตว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัตวิงอธิเศสสติจากนอนทับเหนือแผ่นดินจุดโดวเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนิรัตถังวะกรลิงกะลังก็มีค่าเหมือนกับ t h o ไม้ ที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรการที่ทรงสอนให้พิจารณาโดย น, ยนัยนี้ย่อมมีผลแก่ผู้พิจารณาหลายระดับด้วยกันระดับแรกเป็นการปรับใจให้ยอมรับถึงความจริงแห่งชีวิตดังกล่าวและจะเกิดความมั่นใจในชีวิตว่าความตายนั้นจะต้องเกิดขึ้นเมื่อสิ่งใดจะต้องเกิดถึงคราวเกิดมันก็ต้องเกิด แต่เมื่อสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะในขณะที่ทรงสอนให้บุคคลพิจารนายอมรับความจริงว่าเราจะต้องถึงแก่ความตายในวันใดวันหนึ่งนั้นก็ยังได้แสดงความจริงในส่วนอื่นๆเอาไว้เพื่อให้บุคคลได้กําหนดเลือกกําหนดพินิษพิจาที่จะแสวงหาสิ่งซึ่งเป็นสาระ จากร่างกายอันไม่เป็นสาระนี้โดยทรงเชื่อเห็นว่าศาบใดที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรทรัพย์สมบัติทั้งมวลที่บุคคลเก็บรวบรวมสะสมเอาไว้นั้นไม่สามารถที่จะนำพาติดตัวไปได้แต่ในขณะเดียวกันบุคคลยังมีบุญและบาปทั้งสองอย่างที่บุคคลทาไว้ในโลกนี้ บุญและบาปกลับเป็นของของบุคคลนั้นแท้บุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเช่นั้นจากคําสอนตอนนี้ทําให้บุคคลพิจารณาแยกแยะว่าในเมื่อเราจะต้องเดินทางไกลกันดารในลักษณะนี้บาปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในลักษณะต่างๆบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขในลักษณะต่างๆ บุคคลก็จะเลือกเฟ้นประกอบกระทําในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งบุญเพื่อจะให้บุญนั้นได้เป็นเกาะเป็นที่พึ่ง <c oughs> เป็นที่ต้านทานของตนในสังสารวัตตลอดถึงในชีวิตปัจจุบันบัดนี้อีกประการหนึ่งนั้นจะทำให้บุคคลมองเห็นชีวิตมีลักษณะเหมือนกระเรือนที่ถูกไฟไหม้ ธรรมดาว่าเรือนที่ถูกไฟไหม้หรือกำลังถูกไฟไหม้นั้นถ้าหากว่าเจ้าของบ้านมีสติพอที่จะระลึกอะไรได้ดีก็ย่อมอยู่ในสภาพพร้อมที่จะหยิบฉ่วยสิ่งที่เป็นสาระออกมาจากบ้านจากเรือนนั้นได้การที่มองเห็นชีวิตซึ่งจะต้องมีความตายเป็นที่สุดก็มีลักษณะอย่างนั้นทําให้บุคคลมีสติมั่นคมพร้อมที่จะอาศัยร่างกาย ซึ่งมีลักษณะเหมือนท่อนไม้อันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารด้วยตัวของมันเองประกอบสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารแห่งชีวิตขึ้นมาโดยการเพิ่มพูน ค, คุณธรรมความดีซึ่งได้ทรงแสดงสาระต่างๆเอาไว้เช่นสีละสาระคือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สมาธิสาระ เป็นการพยายามเสริมสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะว่าจิตใจที่สามารถสงบจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้นั้นในชีวิตปัจจุบันก็อำนวยความสุขใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นก่อนที่จะแต่กายทำลายขันไปพระพุทธเจ้าก็ทรงสดแสดงยืนยันไว้ว่าเมื่อจิตผ่องแพ้วก็หวังได้ว่า ย่อ บ, บังเกิดในสุขติซึ่งแน่นอนเหลือเกินด้วยศีลอันเป็นสาระด้วยสมาธิอันเป็นสาร ะ, าาระตลอดถึงปัญญาเป็นสาระที่บุคคลเพียรพยายามสร้างขึ้นจะมีส่วนอย่างสำคัญในการขัดเกลาจิตกิเลสออกไปจากจิตใจให้มีความสะอาดสูงขึ้นให้มีความสงบสูงขึ้นมีความประณีตมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผล ที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ทั้งในปัจจุบันบัดนี้และยังเป็นปัจจัยที่ให้บังเกิดในสุขติในภายภาคหน้าด้วยประการที่สจะทําให้บุคคลดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพัตเดกรัลตกาถาคือคาถาที่ว่าด้วย การใช้ชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ชื่อว่าเจริญในตอนหนึ่งทรงแสดงว่าความเพียรพยายามอันบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้เถิดเพราะใครเล่าจะรู้ว่าความตายอาจจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนื่องจากเราทั้งหลายไม่อาจผัดเพียนต่อพระยามัจยุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้ดังนี้ การดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความไม่รมประมาทพยายามฉกฉวยโอกาสเสริมสร้างความรู้ความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นชื่อว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตให้สูงขึ้นเพราะค่าแห่งชีวิตที่แท้จริงนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้แสดงในรูปของความมีอายุยืนเพียงอย่างเดียวแต่บุคคลอาจจะมีอายุน้อยหากว่า ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพยายามใช้โอกาสที่มาถึงเข้าให้เกิดสาระประโยชน์ดังกล่าวก็จะกลายเป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าการเวลาที่บุคคลนั้นมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความประมาทแล้ว ก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ไม่มีความประมาทไม่ได้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเข้าถึงยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายพระบรรดากุศลธรรมทั้งมวลที่ทรงแสดงเอาไว้โดยวิจิตพิสดาร น, นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมเหล่านั้น บรรดากุศลธรรมที่มีชื่อมีลักษณะมีประเภทต่างๆนั้นสรุปลงที่ความไม่ประมาทเท่านั้นถ้าหากว่าบุคคลอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามโอวาทานุสาสนีของพระพุทธเจ้าที่มีชื่อมีลักษณะมีประเภทอย่างอื่นด้วยส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญมรณะสตินั้นเนื่องจากมรณสติ เป็นธรรมะที่มีความละเอียดท่านจึงแสดงว่าผลจากการกำหนดพินิษพิจารณาจะไม่ถึงอัปปนาคือไม่แน่แน่แต่การเจริญกรรมฐานในลักษณะนี้มีจุดเด่นอยู่ประการหนึ่งในข้อที่ว่าเมื่อบุคคลกำหนดรลึกกำหนดพินิษพิจารณาตัวนิมิตของกรรมฐานบางอย่างจะเกิดขึ้นมาช่วย ทำให้บุคคลสามารถโน้มน้อมจิตเข้าสู่ความสงบได้เร็วและสามารถที่จะอาศัยความสงบระดับอุปจารสมาธิเข้าเป็นบาดในการเจริญวิปัสนามองเห็นความจริงแห่งขันทั้งหหรือกล่าวโดยสรุปมองเห็นความจริงแห่งนามรูป่ะตกอยู่ในสภาพของพระตรลักษณ์ คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองชีวิตในลักษณะที่จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาทำให้มองเห็นความเกิดความดับแห่งนามิรูปทั้งที่ตนเองและภายนอกจากตนเองอย่างที่พูดว่าเห็นทั้งภายในและภายนอก โดยความเป็นนันเดียวกันคือมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความดับไปซึ่งบุคคลอาจจะยกในส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาได้และให้เกิดยานอย่างรู้จนยอมรับความจริงในส่วนนี้ถ้าหากว่าสามารถทําได้ในปัจจุบันก็จะกลายเป็นผู้หันไม่หวาดไม่สะดุ้งต่อความตาย พร้อมที่จะไปะเชิญหน้าต่อความตายอันจะเกิดขึ้นในลักษณะใดโดยวิธีใดก็ได้ทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะความเป็นผู้ไม่ประมาทความเป็นผู้เก็บรวบรวมบุญกุศลเอาไว้และความเป็นผู้เพียรพยายามสร้างสาระดังกล่าวแล้วของบุคคลนั้นนั่นเองข้อนี้เมื่อมีผู้มากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำอย่างไรบุคคลจึงไม่กลัวต่อประโลก คือไม่กลัวต่อความตายหรือไม่กลัวต่อชีวิตหลังตายพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโดยสรุปว่าบุคคลที่มีบุญอันกระทำไว้แล้วย่อมเป็นผู้เพลิดเพลินบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมจะบันเทิงเขาย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมาพิจารณาเห็นความบริสุทธิ์ของตนคนประเภทนี้ย่อมไม่หวาดสะดุง ต่อประโรคซึ่งพระโบราณอาจารย์อุปมาไว้ว่าการตายของบุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนผู้ที่ทำลายภาชนะดินแล้วไปใช้ภาชนะทองหรือว่าทิ้งบ้านที่เป็นกระตอบเพื่อไปอยู่ปราสาทฉะนั้นมรณสติจึงเป็นกรรมฐานที่ควรแก่การกำหนดปินิพพิจนา หากว่าพิจารณาไปแล้วปฏิบัติไปแล้วไม่สามารถสัมผัสผลระดับที่ท่านแสดงเอาไว้ได้ก็ยังจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่เสริมส่งให้บุคคลผู้นั้นมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษคือจะไม่มองโลกมองชีวิตในแง่เดียวในชั้นเดียวแต่จะมองซึ้งลงลงไปถึงแก่นแท้ถึงความจริงแห่งโลกและแห่งชีวิตแ่านั้นอย่างที่ ระยะสะกุลระบุตรมองเห็นสนมกำนันในภายในปราศาสตรเหมือนกระซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าชานั้นตัวอุปนิสัยปัจจัยที่ทำให้ท่านมองเห็นเช่นนั้นก็เกิดขึ้นมาจากบา ร, รมีธรรมในอดีตที่ท่านได้เคยเผาศพโคนนาถาแล้วพิจารณาซากศพเหล่านั้นจนมองเห็นชีวิตของตนเองและสัตว์อื่น เหมือนกระรากศพพอวิญญาณออกจากร่างก็มีลักษณะเหมือนท่อนไม้เหมือนทรซากศพไม่รู้สึกต่อความเศร้าโศกเสียใจต่อไฟที่เขาแผดเผาตลอดถึงความพลากจากต่างๆซึ่งตนเคยกำหนดหมายว่าเป็นของของเราและจากความคิดซึ่งเป็นท่านใช้คำว่าจิตตุประบาทเดียว คือเกิดขึ้นเพียงช่วขณะจิตเดียวภายในขณะนั้นแล้วท่านก็พิจารณาสืบต่อกันไปกลายเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีธรรมเมื่อถึงการโอกาสอันควรท่านสามารถมองเห็นคนเป็นเป็นธรรมดาแล้วก็อยู่ในสภาพกายที่ปกติด้วยแต่กลับมองเห็นเป็นซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าชาจนเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ในชีวิตการครองเรือนออกไปพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมและบรรลุมรรคผลไปในที่สุดดังนั้นมรณสติจึงเป็นกรรมฐานที่ควรแก่การเจริญเพราะเมื่อเจริญไปแล้วย่อมมีผลตามสมควรแก่การเข้าถึงความจริงแห่งชีวิตส่วนนี้ดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบ สืบต่อไป